<Book> 48. ตัวจิตุยรยตัวจิตุระยรีระกิจกรรมระหว่างการพักร้อนสะฟกุสะบัฟกมุมหาดทรายสะอาดไหม้ปบจ เล่นน้ำที่นั่นได้ไหมั้ชเล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือจอเชาขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ เชื่อทมิชัฟฟูชิบตนิตบะขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะเช้อลงฮฟูมิชชิบส์ตันเพื่ชิตบะขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ ควาชมชฮาฟ o ิบชนลิตบ่วามช h ฉิบนคละชิชตบดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่น s u เซอร r f i n g surf s u r ดิฉันอยากดำน้ำ ทซิเช่อิวา่าซิเชอิว่าดิฉันอยากเล่นส ก, กีน้ำซาข้นิอิวา่าเซุช้ขิอิว่าขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ เซอร์ฟิงพรมห้าฟุตพื้ ш т ิ н п л าชิสต์บขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะสุดโจ้ส้วาชชื่อห้าฟุตพื п นผิวพลาชิสต์บะขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ ซึส่วนเพื่อชิสด์บ่ซึ่งควร half ผู้ส่ิด์บ่ดิฉันพิ่งเริ่มหัดซึสเดิฉันพอเล่นได้ซึ่งแต่กุซึฟ ลูกซฟนวาสดิฉันเล่นได้ดีมากซฮดรซฟติรปสฮซฮดซฟติรปสฮาสกีลิฟอยู่ที่ไหนซครกวลิฟตร์ดชซารวลิฟตร์ทดชิเ คุณมีส ก, กีมาด้วยหรือเปล่าคุณมีรองเทา้าส ก, กีมาด้วยใช่ไหม